วันนี้เป็นวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิทธิ์พวกเรา ยังมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการเลยได้มาวัดกันเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอรหันตสสมมาสามพุทธเจ้า ผู้ส่งมีความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีของการที่จะทำให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติการอย่างจริ ง, จ, รงจั ง, จง การที่เราจะศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังได้นั้นเราต้องรู้จักสถานภาพของตัวเราก่อนว่าตอนนี้เราตกอยู่ในสถานภาพไหนตกอยู่บนกองสุขหรือตกอยู่บนกองทุกข์ถ <Yeah. S 1> ้าฟังทำแล้ว เราจะรู้ว่าพวกเราทุกคนนี้กำลังอยู่ในกองทุกข์กันอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดกันของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดพรากจากกันเป็นความทุกข์ที่พวกเราพบอยู่เรื่อย และไม่ใช่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นพบนี้ชาตินี้ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้เป็นพบแรกไม่ได้เป็นชาติแรกไม่ได้เป็นพบสุดท้ายไม่ได้เป็นชาติสุดท้ายแต่เป็นหนึ่งในหลายหลายล้านล้านพบล้านชาติด้วยกันที่พวกเราได้เคยมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย แล้วอย่างโชคโชนถ้าอยากจะรู้ว่าจำนวนของพบชาติที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าให้เอาน้ำตาที่เราหลังในแต่ละชาติชาตินี้เราเกิดมาเวลาเรามีความทุกข์ใจ เราก็มักจะร้องห่มร้องไห้กันหลั่งน้าตากันถ้าเราเอาน้าตาที่เราหลั่งในชาตินี้มารวมกับน้าตาที่เราเคยหลั่งในชาติต่างๆในอดีตพระพุทธเจ้าบอกว่าน้าตาของพวกเรานี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูกะแล้วกันว่า น้ำในมหาสมุทรนี้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรแล้วเราจะต้องมาเกิดมาร้องหหมร้องไห้เพื่อหลั่งน้ำตาให้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นจะต้องกลับมาเกิดการกี่ด้านล้านชาติด้ยกันนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้ทุกข์กันมา และยังไม่ยังไม่สิ้นสุดลงยังจะต้องทุกกันอีกต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแบบพอหอมปากหอมคอทำเพื่อเอาบุญเอากุศล เล็กๆน้อยๆถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสถานภาพของพวกเราจากเป็นผู้ที่อยู่บนกองทุกข์ให้กลายเป็นผู้ที่อยู่บนกองสุขเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนและปฏิบัติตามอย่างจริงจังอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราถึงจะสามารถเปลี่ยนสถานภาพของพวกเราที่เป็นอยู่กันในตอนนี้คืออยู่บนกองทุกข์กันอยู่บนกองทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยของความตายของความพัดพลาดจากกัน นี่คือสถานภาพของเราและการที่จะทำให้เรานี้ไม่ลืมสถานภาพของเราว่าเราอยู่บนกองทุกข์กันเราก็ต้องพยายามเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากกันอยู่เรื่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ระลึกถึง เวลาที่เราไปหาความสุขกันเราก็จะลืมแล้วเราจะคิดว่าเรากําลังอยู่บนกองสุขกันแต่วันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้กองทุกข์นี้มันจะมาต้อนรับเรามันกําลังรอเราอยู่ข้างหน้าอยู่ความแก่กําลังรอเราอยู่ข้างหน้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันกําลังรอเราอยู่ข้างหน้าความตาย และการพลาดพลาดจากกันมันกำลังรอเราอยู่แล้วก็ข้างหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะกี่เป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้วันพรุ่งนี้อาจจะพบกับ Fried, อจจบุ บ, บัติเหตุอุบัติภัยก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไร เราต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะกระตุ้นให้เราเกิดความกลัวของการที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆทำให้เราเห็นภัยของการมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ถ้าเราเห็นัยเห็นสถานภาพของเราว่าเรากำลังอยู่ในกองไฟเราก็ต้องพยายามหาทางออกจากกองไฟให้ได้เวลาไฟไหม้บ้านเราจะอยู่ในบ้านกันหรือเปล่าเราต้องรีบหาทางออกกันหาาหาประตูหาหน้าตา่างหาอะไรที่จะทําให้เราออกจากกองไฟให้ได้ เพราะว่ากองไฟนี้มันไม่มีคุณประโยชน์กับเราเลยมันมีแต่จะทำให้เร า, เาทุกทรมาน เ, เพียงอย่างเดียวนี่คือการที่จะทำให้เราได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องให้ เห็นว่าเรากำลังอยู่ในกองไฟไม่บ้านของเรากำลังไหมเราต้องรีบหาทางออกจากบ้านที่กำลังไหมอยู่เราตอนนี้ก็อยู่ในกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดพาคจากกันเราต้องรีบหาวิธีหาทางออกจากกองทุกนี้ให้ได้ และนานๆเราจะได้มีโอกาสได้พบกับทางออกจากกองทุกนี้สักครั้งก็คือในยุคที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำให้เราได้รู้จกักทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรูมทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยและโอกาสที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ในแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายจังหวะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่อีกร้อยปีอีกพันปีหรืออีกหมื่นปีเราก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> แล้วพระพุทธศาสนาที่จะมาปรากฏอยู่บนโลกนี้ในแต่ละยุคแต่ละสมัย <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆ <Yeah. S 1> นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหลายล้านล้านปีด้วยกันโ <Yeah. S 1> บราณเขาเรียกคำว่ากลับ หลายกลับด้วยกันกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วมาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกซักครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> ครั้งนี้พวกเราถือว่าเหมือนกลับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <Yeah. S 1> เราคงจะรู้ว่าการจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้มันยากหรือง่ายอย่างไร ทุกครั้งที่เราซื้อวัตเตอรี่นี่เราไม่เคยคิดว่าจะเคยจะได้ถูกกันเลยเพียงแต่จะขอให้หวังไว้เท่านั้นเองเผื่อไว้เท่านั้นเองแต่โอกาสที่จะถูกนี่เรารู้ว่ามันยากแสนยากเราจึงไม่ค่อยไปหวังกับมันเท่าไหร่ <Yeah. S 1> แต่ก็ซื้อเผื่อไว้เท่านั้นเองซื้อเผื่อว่าเป็นโชคของเราเราจะได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนะ่รันี่แหละ <Yeah. S 1> คือ ความยากง่ายของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาที่จะเป็นผู้สอนบอกทางของการออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทาความเข้าใจทำความรู้จัก ว่าหนึ่งพวกเรากาลังอยู่ในกองเพลิงกันบ้านของอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้กันสองพวกเราโชคดีมีหน่วยกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมามาช่วยเราให้เราออกจากกองเพลิงได้ถ้าเราแม่รีบรับความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขออยู่ในบ้านต่อไป ยังรักยังห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของที่มีอยู่ในบ้านนี้อยู่เราก็จะต้องถูกไฟครอบตายไปถ้าเรายังรักยังห่วงความสุขที่เราหากันอยู่ในขณะ น, นี้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงเก็นลดปฎปะถ้าเรายังรักยังห่วง เราก็จะไม่อยากจะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไปเรายังอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจากคนนั้นจากคนนี้อยู่เราก็จะไม่สามารถออกจากกองเพลิงไปได้ไม่สามารถออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่ได้ เพราะเรายังรักยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ในบ้านของเรานะก็ให้เราเปรียบเทียบดูว่าอยู่กับทรัพย์สมบัติที่กำลังไฟไหม้หรือออกไปหรือจากทรัพย์สมบัติไปอยู่ข้างนอกบ้านอย่างไหนจะดีกว่ากันทุกคนก็รู้กันถ้าเกิดไฟไหม้แล้วต่อให้มี ทองคำมีเพชรมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่สามารถขนไปได้ก็ไม่เอาไปแล้วล่ะยังไงยังไงก็ต้องเอาชีวิตก่อนเอาตัวให้รอดก่อนส่วนทองคำเพชรนินจินดามีมากมีน้อยเท่าไหร่เป็นของนอกกายเดี๋ยวหาใหม่ได้เบื <Yeah. S 1> ้องต้นเราต้องเอาชีวิตของเราให้รอดก่อน yeah. ถ้าเรามองจิตใจของพวกเราเหมือนกับเรามองร่างกายที่กำลังอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้เราก็จะได้รีบพาจิตใจของพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามีความยินดีเราก็จะมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติใจของเราก็จะไม่คิดไปเที่ยวไปหาความสุขจากอะไรเราจะคิดแต่ที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ พาให้ใจของเรานี้ได้หลุดออกจากกองทุกกองเพลิงของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เรามีความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะมีความ เพียรพยายามที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะเรารู้เป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติแล้วว่าศึกษาและปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อพาให้ใจของเราที่เหมือนคนที่กำลังอยู่ในที่ติดอยู่ในกองเพิงให้ได้ออกจากกองเพิงไปนั่นเองนี่แหละเราจรึงต้องคอยเตือน ใจของเรากำชาบใจของเราให้รู้อยู่เรื่อยๆว่ า, าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานภาพใดเรากำลังอยู่บนกองทุกข์บนกองไฟของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่เรามักจะไม่รู้กันเราจะมักจะมองไปที่ร่างกายของเราแล้วบอกว่าตอนนี้เรา อยู่ในสถานภาพใดเรากำลังมีตำแหน่งอะไรมียศอะไรมีทรัพย์สมบัติเงินทองเท่าไหร่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มากน้อยเพียงใดนี่การเป็นการมองผิดที่ เพราะสถานภาพของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสถานภาพที่แท้จริงของเราไม่ช้าก็เร็วพอร่างกายเราถึงแก่ความตายไปสถานภาพเหล่านี้ก็จะหายไปหมดแต่สถานภาพของจิตใจนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หายไปตามความตายของร่างกาย สถานภาพของจิตใจคู่ที่ยังอยู่บนกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ mm hmm. ก็ยังอยู่บนกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป mm hmm. ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งธรรมสอนของพระพุทธเจ้าได้เท่านั้น mm hmm. เราถึงจะสามารถเปลี่ยนสถานภาพของจิตใจของเรา จากการเป็นผู้ที่อยู่บนกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้กลายเป็นผู้ที่อยู่บนกองสุขของพานิพานของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังอยู่บนกองทุกข์กันไม่ได้อยู่บนกองสุขกันถึงแม้เราจะมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญ มีเงินทองหลายล้านอยู่สุขอยู่สบายมีตำแหน่งหลายตำแหน่งมีคนคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอมีความสุขที่เราหาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวอยากจะกินก็ได้กินอยากจะดื่มก็ได้ดื่มอยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟัง อยากจะซื้ออะไรก็ได้ซื้อสถานภาพเหล่านี้มันเป็นสถานภาพชั่วคราวไม่ใช่เป็นสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราคือการอยู่บนกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไปเกิดต่อไปเกิดสูงเกิดต่ำแล้วก็ตายจากภพที่เราไปเกิด แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราเจอความทุกข์ต่างๆกันอีกเราก็จะวนเวียนไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังไม่เห็นความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเราไปดูหนังตัวอย่างกันก่อนก็ได้ไปโรงพยาบาลไปดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วย้อนกลับมาที่ตัวเราวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันไปที่บ้านาพักคนชราไปเยี่ยมคนแก่คนที่ไม่มีญาติมิตรสนิทมิตรสหายถูกทอดทิ้งให้ไปอยู่ที่บ้านาพักของคนชราอยู่แบบเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเวอยู่กับร่างกายที่อ่อนแอ ไม่ค่อยมีกำลังวางชาที่จะทำอะไรต่างๆหรือไปวัดไปงานศพกันไปดูศพที่อยู่ในโรงกันไปดูตอนที่ลดน้ำกันลดน้ำศพกันจะได้มองเห็นว่านี่แหละต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้กันถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ของการที่เรามาเกิดกัน ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกของความสุขเพียงอย่างเดียวโลกนี้มีความทุกข์อยู่ด้วยและความทุกข์นี้รุนแรงกว่าความสุขและจะมากรบความสุขทั้งหลายที่เราได้กันมาให้หายไปหมดเพราะความทุกข์มันจะมาทีหลังนั่นเองโลกนี้ความสุขมาก่อนตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเย มีแต่ความสุขกันมีแต่ความสนุกสนานกันมีแต่ความมีแต่เรื่องที่จะทาให้เราดี อ, อกดีใจกันแต่เมื่อเราอยู่ไปนานๆเข้าชีวิตของเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆอเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ คนที่เข้ามาก่อนเราเช่นปูย่ย่าตายายบิาดามารดาเขาก็จะจากเราไปทีละคนสองคนตอนนี้นเราก็จะเริ่มเห็นความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วแล้วพอเราแก่ขึ้นไปมากๆขึ้นความทุกข์ก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราไม่เคยมีกันก็จะมาเยี่ยมเรามาหาเรา มากขึ้นให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บปวดตามร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดร่างกายของเราก็ต้องถึงแก่ความตายกันต้องมันเราเลิกถึงความจริงเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่ลืมสถานภาพของเราว่า เราเป็นผู้อยู่บนกองทุกข์อยู่บนกองไฟของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยของสังสารวัฏเนยผู้ที่เห็นภัยของสังสารวัฏนี้ <Yeah. S 1> อย่างจริงจังนี่เขาจะไปบวชกัน <Yeah. S 1> คำว่าภิกษุพระภิกษุนี้ก็แปลว่าผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏนี้ <Yeah. S 1> ผู้ที่ไปบวชนี่ พร้อมที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ออกจากออกจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ <Yeah. S 1> เหมือนกับผู้ที่อยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรมีของวิเศษมากน้อยเพียงไรอยู่ในบ้านนี้ เวลาที่ไฟไหม้นี้ไม่เอาแล้ขอให้ออกจากบ้านนี้ไปก่อนให้ได้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจเราให้รู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราแล้วเราจะได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องคือรีบออกจากกองทุกนี้ไปให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะชีวิตของเรานี้ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้จะตายพรุ่งนี้ก็ได้ตายมาเลินนี้ก็ได้ตายอาทิตย์หน้าก็ได้ตายเดือนหน้าก็ได้ตายสิบปีข้างหน้าก็ได้หรือห้าสิบปีข้างหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีไม่มีความแน่นอน งั้นเราจะมาถือว่าเราจะอยู่ไปจนถึงขายุ90ปีร้อยปีนี่ก็เป็นการหลอกตัวเราเองไปเท่านั้นเองเพราะความจริงเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงเวลานั้นได้หรือไม่เหตุการณ์อัไจะเกิดขึ้นแต่แม้ตอนนี้เรามีโรคระบาดนี่มันมาบอกเราแล้วว่าเนี่ยชีวิตของเราไม่แน่นอนถ้าพลาดใครไปติดเชื้อเข้านี้ก็โอกาสที่จะตายก็มีได้ทันที นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยหมั่นสอนใจการหมั่นสอนใจให้เรารู้จักสถานภาพที่แท้จริงของเรานี้ท่านเรียกว่าความไม่ประมาทไม่ประมาทนอนใจอพอมีภัยเข้ามาแล้วต้องรีบหนีทันทีอย่าไป อ, าอย่าไปาทำอะไรอย่างอื่นรีบ หนีจากไฟก่อนไฟไหม้นี่ยอย่าไปคอยขนข้าวขนของไปหาทรัพย์สมบัติอะไรที่เก็บไว้ไปหากุญแจเซฟไปเปิดตู้เดี๋ยวไม่มีเวลาที่จะออกจากกองไฟไปได้ mm hmm. เพียงแต่ได้เห็นควันปั๊บเนี่ก็รีบไปก่อนเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัย mm hmm. ถ้าเราลึกถึงสถานภาพของเราว่าเรากำลังเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในตายพกเวียนว่ายตายเกิดมาเอะเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สนใจต่อการศึกษาเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะ แปลว่าความยินดีที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพอได้มีความยินดีแล้วมันก็จะมีความขยันหมั่นเพียรตามมาเวลาที่เรายินดีที่จะทำอะไรแล้วเรามักจะไม่ขี้เกียจเรายินดีที่จะไปเที่ยวนี่เราจะขยันไปกันทีถ้ามีความยินดีทำอะไรแล้วเราจะ มีความขยันมันตามมาเองความขยันตามมากับความยินดีถ้าเราไม่ยินดีนี่ความขี้เกียจมันจะเข้ามาถ้าไม่ยินดีที่จะไปทำงานมันก็ขี้เกียจทำงานถ้าไม่ยินดีกับการเรียนหนังสือมันก็จะขี้เกียจไปเรียนหนังสือกันดังการที่จะทำให้เรามีความยินดีในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราต้องรู้สถานภาพของเราว่า เรากำลังตกอยู่ในสถานนภาพใดละการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้มีประโยชน์อย่างไรกับเราเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์ของเราที่เรากำลังตกอยู่ในขณะนี้พาให้เราออกจากกองเพลิงถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะเป็นเหมือนกับมีผู้ที่จะมาช่วยเรา เชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหรือดับเพลิงจะรีบมาช่วยเราเยธรรมะก็เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเหมือนหน่วยกู้ภัยที่จะมากู้จิตใจของพวกเราให้หลุดออกจากกองเพลิงกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่พอเรารู้คุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ก็เหมือนกับเรารู้คุณค่าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่จะมาคอยช่วยเราเราก็จะรีบไปกับเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเขาจะพาให้เราออกจากกองกองเพลิงนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนหน่วยกู้ภัยที่จะกู้จิตใจของพวกเรานี่ ให้หลุดออกจากกองเพลิงของการเวียนว่ายตายเกิดกองไฟกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดใจของพวกเรานี้ถูกไฟของความทุกนี้เผาผ่านมามากมายร้องห่มร้องไห้จนน้ำตานี้มากยิ่งกว่าน้ำในหมหาสมุทรแล้ว <Yeah. S 1> พวกเราถ้ายังไม่เห็นนี่ก็แสดงว่า <Yeah. S 1> พวกเรานี้เป็นพวกหูหนวกตาบอดจริงๆ yeah. แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่มันจะทําให้เราหูตาสว่างขึ้นมาะจะได้ทําให้รู้ว่ารู้ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่บนกองทุกข์หรืออยู่บนกองสุขกันถ้าเราไปมองอยู่ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่มองไปที่ฐานะของเราตําแหน่งของเราเราก็จะอาจหลงทางได้เห็นผิดเป็นชอบได้ เราต้องมองที่จิตใจของเราจิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นผู้ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ต้องจากร่างกายนี้ไปร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องตายไป <Yeah. S 1> ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่จะให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าน่าพระสาวกไปถึงได้พ อ, อร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือการมีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับจิตใจของเราอย่างไร yeah. เป็นผู้ที่จะมากู้ภัยให้กับเราเป็นผู้ที่จะพามาพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ <S <S ตอนนี้เรายังอาจจะแข็งแรงอยู่ยังมีกําลังวังชาอยู่มองไปผู้ที่มีอายุมากกว่าเราทำไมเขาต้องนั่งเก้าอี้กันทำไมเขาไม่นั่งพับเพียบอย่างเรา เขาไม่ไหวแล้วนั่งพับเพียบไม่ไหวนั่งแล้วมันเจ็บมันไม่สบายก็เลยต้องนั่งเก้าอี้กันต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานั่งกายของเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้าสู่ความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ คอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้ว <Yeah. S 1> ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาเ <Yeah. S 1> รื่องพ้นความแก่ไปไม่ได้ <Yeah. S 1> เมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเ <Yeah. S 1> รื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ <Yeah. S 1> มีความตายเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดผ่าจากกันไปไม่ได้ <Yeah. S 1> เมื่อเรารู้ความจริงที่จะที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเนี่ย <Yeah. S 1> เราจะได้รีบปฏิบัติธรรมกันรีบศึกษากัน <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างที่เราจะต้อง แก่ต้องเจ็บต้องตายกันในภพนี้ชาตินี้แล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมจนทําให้ใจเรานี้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ตายยังมเราจะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายเพราะใจของเรานี้จะไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้ว จะไม่ไปมีความยึดติดกับร่างกายจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งร่างกายเพราะใจของเรานี้พึ่งตนเองได้ใจของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับใจใจของเราก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนจะพัดภาคจากใครก็ไม่เดือดร้อนใครจะจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่พึ่งเขาแล้วไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้มีความสุขได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้ว ใจของเรานี้ถึงแม้ยังจะอยู่ในโลกนี้ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ใจตั้งแต่ที่ได้หลุดพ้นแล้วนี้จะไม่มีความทุกข์กับรอีกต่อไปจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดภากจากกันแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็จะก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่กลับมาเกิดก็ย่อมไม่มีทุก์นั่นเองเ <Yeah. S 1> พราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น <Yeah. S 1> ถ้าตราบใดยังมีการกลับมาเกิดเองไม่ว่าจะมาเกิดเป็นอะไรก็ตามเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระธานาธิบดี <Yeah. S 1> เป็นอะไรก็ตาม <Yeah. S 1> ก็ยังต้องเจอความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของความพัดพาดจากกัน เหมือนเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะสอนใจให้รู้ความเป็นจริงของเราเพื่อที่เราจะได้รีบมาแก้ไขเพราะสถานภาพที่เราเป็นอยู่นี้เราแก้ไขได้โดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่ หนึ่งเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานภาพใดเราเป็นใครเป็นอะไรเราจะไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็เวลาร่างกายตายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมาต่อไปหรือเปล่าจะไปเกิดใหม่จะไปเป็นดวงวิญญาณเป็นผีเราก็ไม่รู้เป็นจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเราได้มาศึกษา ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้เรียนรู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่มาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆเราอยากไปเที่ยวเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวเราอยากจะดูอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปดู อยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปกินไปทำพอได้ทำแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอร่างกายตายไปเนี่ยเรากับเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเป็นนายของร่างกายร่างกายเป็นบ่าวใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนาย บ่าวนี้มีอายุชั่วคราวไม่เกินร้อยปีก็ต้องสิ้นสุดลงแต่ใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้อยู่ต่อไปอยู่ในสภาพของการเป็นเป็นดวงวิญญาณถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อยู่เป็นเป็นผีนั่นเองผีไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราจับต้องได้ให้เราเห็นได้แต่มีอยู่ ่ะจิตใจของพวกเราเนี่ยที่จะไปต่อที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วช่วงที่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่จิตใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าทำบุญเราก็จะได้เป็นดวงวิญญาณของพวกเทวดาของพวกพรหมถ้าทาบาปเราก็จะได้ดวงวิญเป็นดวงวิญญาณของพวกเปรตของพวกอระสูนกายของพวกนรก เพราะนี่คือผลของการทำบุญและทำบาปที่จะเกิดกับจิตใจของพวกเรา mm hmm. เกิดตั้งแต่ที่ร่างกายเรายัางไม่ตายขณะนี้จิตใจของพวกเรานี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ร่า mm hmm. งกายเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่จิตใจอาจจะเป็นเทวดาก็ได้อาจจะเป็นพรหมก็ได้อาจจะเป็นพระอริยะเจ้าก็ได้ เป็นพระอรหันต์ก็ได้เข้นอยู่กับบุญที่เราทำกันว่าได้ทำมากน้อยเท่าไหร่บุญนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะทำให้จิตใจเราเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบางเป็นพระอรหันต์บ้างส่วนบาปมันก็จะทำให้จิตใจเราเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนศรักายบ้างเป็นนรกบ้าง จิตใจของพวกเรากับร่างกายของเราอาจจะไม่ตรงกันอย่างที่เขาพูดปากกระจัยไม่ตรงกันปากคือร่างกายปา ก, ปากคือร่างกายร่างกายอาจจะพูดหวานเจี๊ยบแต่ใจอาจจะอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจก็ได้ใจอาจจะเป็นเปรตเป็นผีแต่ปากนี้กำลังเป็ น, เ, ปนเทวดาพูดหวานจ้อย เพื่อที่จะหลอกให้เราตายใจพอเราตายใจเขพอเราเผลอปับ๊บเขาก็จะได้ทิ่มเราแทงเราได้ทันทีทำร้ายเราได้ทันทีนั่นแสดงว่าร่างกายอาจจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นแต่ใจนี้เป็นเป็นผีไปแล้วเป็นเปรเป็นเป็นป น, นรกไปแล้วมีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอยู่ในใจอันี่คือเรื่องของใจที่เป็น ที่เรานี่แหละเป็นกันเราเป็นใจไม่ใช่เป็นร่างกายและใจนี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้ที่ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วหลังจากที่บุญหรือบาปที่ทำให้เราเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆนั้นมันหมดกำลังลงเราก็จะได้มาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ เหมือนกับเด็กทารกที่เราเห็นที่คลอดออกมาจากท้องแม่ต่อไปเราก็จะเป็นเด็กทารกกันใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราสิ้นสุดลงเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งและการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะดีจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทามาเอกเหมือนกัน พวกที่ทำบุญไว้เวลากลับมาเกิดก็เป็นเหมือนพวกที่ลงมาจากสวรรค์ลงมาจากจากการเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามีบุญวาสนาเกิดมาเป็นลูกของคนรวยเกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเกิดมามีอาการครบสามสิบสองผิวพรรณผ่องใส ไม่มีโรคภยยัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือมีน้อยอายุยืนยาวนานมีความรู้ความฉลาดอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ที่ตกค้างอยู่ในใจที่จะส่งผลให้ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันส่วนพวกที่มาจากที่ต่ำพวกที่หลังจาก ได้ชดใช้บาปกรรมด้วยการเป็นวิญญาณของเปรตบ้างวิญญาณของอ ส, สุรกายบ้างวิญญาณของนรกบ้างเ<อ>วลามาเกิดเขาก็เป็นเหมือนออกพวกนี้ออกมาจากนรกกัน <è. S 1> พวกที่ออกมาจากนรกออกจา ก, กบาลนี้มักจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงาม<อ>มีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัว<อ>มีผิวพรรณไม่ผ่องใส บ, บ, บางทีก็มีอาการไม่ครบ13 2สสอง หูหนวกบ้างตาบอดบ้างอายุก็ไม่ยืนยาวนานสุขภาพก็ไม่แข็งแรงมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนฐานะการเงินการทองก็ไม่ดีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้ศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนจนสำเร็จคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากที่จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเราก็ต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้เพราะเป็นทางออกจากกองทุกขของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ที่มาตัดสรู้แล้วเอาพระธรรมมาสอนนี้จะสอนเหมือนกันทุกทุกพระองค์เลยถึงแม้จะไม่เคยเจอกันถึงแม้จะไม่เคยไปศึกษาจากสำนักเดียวเดียวกันก็ตามแต่ความรู้ เกี่ยวกับดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่เหมือนกันใครได้ศึกษาเรื่องจิตใจศึกษาเรื่องวิธีที่จะพาให้จิตใจของพวกเราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะพบวิธีเดียวกันเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในอดีตแล้วเอาธรรมมาสอนพวกเราและพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ยังไม่มานี้ เวลามาก็จะมาเอาคำเอาธรรมคาสอนมาสอนเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือบูชา<ม>กราบไหว้และศึกษาคําสอนของท่าน<ม>ก็จะสอนเหมือนกันหมดคําสอนพระพุทธเจ้าที่เหมือนกันหมดนี้มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ละการกระทําบาปทั้งปวง <Yeah. S 1> สอง ให้ทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี <Yeah. S 1> ่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจของพวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือพาจิตใจของพวกเราให้ออกจากกองทุกกองเพลิงของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแบบพอหอมปากขอมคออาทิตย์ละครั้งสองครั้งนี้เช่นวันพระก็ถือศีลกันสักครั้งพอไม่ใช่วันพระก็ไม่ถือศีลอย่างนี้ยังถือว่าไม่พอเพียงเหมือนรักษาตัวไปรักษาตัวโรงพยาบาลไปนอนคืนหนึ่งแล้วก็ขอหมอลากลับบ้านขอกลับไปเที่ยวขอกลับไปทำอะไรก่อน แ้วเ๋ยวาทิตหน้ากลับมารักษาใหม่ถ้ารักษาแบบนี้รักษาไปจนวันตายก็ไม่หา ย, ยหมอเขาก็จะไม่ปล่อยให้ออกจากโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกต้องรักษาให้หายก่อนถึงจะปล่อยให้ออกจากโรงพยาบาลได้การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เช่นเดียวกันเราต้องปฏิบัติไปจนกว่าเราจะหลุดพ้นเท่านั้นเราถึงจะหยุดปฏิบัติ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติในเบื้องต้นก็ยังไม่มีกำลังมากพอก็เลยต้องเริ่มจากน้อยไปหามากแต่เป้าหมายก็อยู่ที่ว่าจะต้องไปให้ถึงเต็มร้อยให้ได้เบื้องต้นอาจจะปฏิบัติเพียง 10% ไปก่อนละบาปบเปสร้างบุญสร้างกุศลไป10รซ็นต์ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไป10บเอรนตก่อน เช่นวันพระทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้งแล้วต่อไปถ้าเราได้ผลดีเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติว่าทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราน้อยลงทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้น เราก็อาจจะอยากจะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นต่อไปอยากอาทิตย์ละหนึ่งวันเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันแล้วต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสามวันสี่วันเดี๋ยวดาที่สุดก็จะอยากปฏิบัติทุกวันเพราะยิ่งปฏิบัติมากผลยิ่งเกิดมากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจจะน้อยลงไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความสุขที่มีอยู่ในใจก็จะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยการที่เราจะสามารถปฏิบัติได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเราต้องรู้สถานภาพของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมสถานภาพของเราว่าเราเป็นผู้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด และการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการดึงตัวเราใจเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตาบใดเรายังไม่พ้นยังไม่มียังไม่พ้นจากความทุกข์แสดงว่าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไปจนกว่าความทุกข์ภายในใจของเราจะหมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วเราก็ ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วเราก็รู้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดแล้วถ้าเราไม่มีทุกข์ในใจแล้วสแสดงว่าเราไม่ต้องมาเกิดแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเตือนใจเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากาลังอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหมอ้อย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในบ้าน เอาชีวิตให้รอดก่อนดีกว่ามีของมีของดีกว่าที่มีอยู่ในบ้านนี้รอเราอยู่ที่นอกบ้านมีสาหรับจิตใจของพวกเราก็มีพระนิพพานรอเราอยู่ถึงแม้ว่าโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะมีความสุขบ้างก็าตามแต่มันเป็นความสุขที่คุกเข้าไปกับความทุกข์เช่นบางทีเราได้มาเกิดร่ำรวยได้มาเกิดเป็นใหญ่เป็นโต ได้เป็นเจ้านายได้ทได้มีอะไรเยอะแยะแต่ขอให้เราเปรียบเทียบ ว, ว่าความสุขแบบนี้สู้ความสุขที่จะได้จากพวามนิพพานไม่ได้ความสุขที่เราได้จากของที่อยู่ในบ้านที่ไฟกาลังไหม้นี้สู้กับความสุขที่เราจะได้รับจากของที่อยู่นอกบ้านที่ของบ้านของที่ไฟไหม้อยู่ เราจะได้รีบออกจากบ้านกันเราจะไม่มัวติดอยู่กับสมบัติกับความสุขของบ้านที่กาลังไฟกำลังไหม้อยู่ <Yeah. S 1> นี่คือต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าประมาทให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดานะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย ความพลาดภาคจากกันไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่ยเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ความหลงความยินดีกับการหาความสุขจากข้าวของเงินทองจากทรัพย์สมบัติต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันจืดชืดไปมันจะทำให้เราว่าถึงแม้จะมีความสุขแต่เดี๋ยวพองานเลี้ยงสิ้นสุดลงความทุกข์มันก็จะตามมา พอความแก่เข้ามาความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาความตายเข้ามาก็เป็นเหมือนการสิ้นสุดของงานเลี้ยงนั่นเองเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ก็งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งเมื่อเราเจอกับความแก่ก็ดีหรือเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี เรอเจอกับความตายก็ดีความสุขต่างๆจากทรัพย์สมบัติจากสถานภาพของเราเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามพอเจอความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นสถานภาพเหล่านี้หมดความหมายไปทันทีนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยตื่นใจสอนใจ อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะกระตุ้นให้เรารีบปฏิบัติเพราะทำคำสอนกันถ้ายังไม่รู้ว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรก็ศึกษากันมีสามหัวข้อใหญ่ๆท่านันเองแต่มันมีรายละเอียดมากมายเช่นการละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงนี้หมายถึงอะไรบาปก็คือการฆ่าสัตว์การฆ่ากันการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเวณี การพูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็การดื่มสุรายาเมานอกจากนั้นยังมีน้องของบาปที่เราจะต้องต้องละด้วยคืออบายมุกเช่นสุรายาเมานี้ถือว่าเป็นน้องของบาปการเล่นการพนันการเที่ยวเตความเกลียดค้านและการครบคนที่ชอบอบายมุกเป็นนิสนี่คือสิ่งที่เรา ต้องลา ก, กันอย่าไปเสพอบายามุกเพราะอบายามุกนี้มีแต่จะดูดทรัพของเราไปเด่นกะดื่มสุราก็เสียเงินเสียสุขภาพเสียเวลาแทนที่จะเวลาไปหาเงินหาทองก็ทำไม่ได้เพราะเวลาดื่มสุรามึนเมาแล้วก็จะทำงานทำการไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้ก็มีแต่จะใช้เงินเสียเงินไปเรื่อย ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินที่เรามีอยู่มันก็ต้องไม่พอใช้พอไม่พอใช้เราก็ต้องไปทำบาปกันไปรักขโมยไปยืมเงินไปโกหกหลอกลวงคนที่เราไปยืมเงินว่าจะคืนเขาแต่เราก็รู้ว่าเราไม่มีทางที่จะคืนเขาได้เพราะเราไม่ทำงานทำการเราโม่แต่สุสเดือดสรายาเมานี่คือน้อมของบาปนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิปะเวณีไม่พูดปวดแล้วต้องไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวเตะไม่เกียจคร้านและไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะคนที่ชอบสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันคนที่ชอบเที่ยวเตรเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตร คนที่ชาบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้าน yeah. mm hmm. ถ้าทําสิ่งเหล่านี้แล้วมีแต่จะเสื่อมไม่มีความเจริญอบายามุขนี้เป็นทางสู่ความหายานณะไม่ใช่ทางสู่ความเจริญทางสู่การไปทําบาปต่อไป mm hmm. เมื่อทําบาปแล้วตายไปก็ต้องไปชดใช้บาปในอบาย yeah. mm hmm. เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหยก็เป็นเปรตดวงวิญ ญ, ญาณที่ หวากลัวก็เป็นอสุรกายดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบามก็เป็นนรกหรือถ้าไปเกิดได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานได้ร่างกายของนกของแมวของสุนัขของอะไรต่างๆของสัตว์ต่างๆดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปรับผลเหล่านี้เราก็ต้องละบาปให้ได้เริ่มหัดตั้งแต่วันนี้ไป เรารักษาศีลข้อไหนได้ก็เริ่มตั้งแต่ศีลข้อนั้นไปก่อนแต่ยังรักษาห้าข้อไม่ได้เอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ได้ข้อสุรานี่เป็นข้อแรกไม่ดื่มสุราไม่ตายหรอกมีน้ำดื่มพอแล้วเกิดมาเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำสุระเราก็ไม่ได้ถือขวดสุราออกมาจากท้องแม่ยังนั้นการไม่ดื่มสุรานี่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรข้อนี้น่าจะง่ายที่สุดในศีลข้อห้า ไม่เดินสุราแล้วก็ไม่พูดปลดไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่รักทรัพย์ช่อโกงแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาเพิ่มขึ้นไปทีละข้อทีละข้อเดี๋ยวก็รักษาได้เองห้าข้อเริ่มต้นก็เอาห้าข้อทั้งวันก่อนวันหนึ่งนี้ขอให้รักษาให้ได้ห้าข้อเต็มที่ก่อนแล้วพอได้หนึ่งวันแล้วก็ลองทำสองวัน ทำสามวันทำสี่วันเดี๋ยวก็ได้ครบทุกวันแล้วเราก็จะถือว่าเราได้นาการกระทำบาป ท, ทั้งปวืกงได้เราก็จะปิดประตูาบายได้ตายไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราไม่ได้ทำบาปนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ให้ทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมบุญชนิดต่างๆจะทำบุญแบบไหนก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ ไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ทำบุญกับวัดก็ได้สร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างห้องน้ำทำอะไรที่เป็นกุศลคือมิเป็นการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครัปล่อยนอกปล่อยปลาไปช่วยคนแก่คนชราเลี้ยงคนแก่คนชราเลี้ยงเด็กพิการคนที่เขาช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้ เรือไปช่วยโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลอาจจะขาดแคล น, น, นเครื่องไม้เครื่องมือหน้ากากถุงมือเสื้อผ้าที่หมอพยาบาลต้องใช้เวลาที่เข้าห้องผ่าตัดเป็นต้นเครื่องใช้ไม่สอยทางองพยาบาลก็ต้องมีให้พร้อมถ้าขาดแคลนก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์อันนี้ก็คือวิธีการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล สร้างกับคนที่บ้านด้วยคนที่บ้านคือพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราบิดามารดาของเราถ้าเขาขาดแขนเขาเดือดร้อนอะไรเราก็ต้องดูแลท่านก่อนเ้วค่อยไปทําบุญนอกบ้านทําบุญในบ้านก่อนทําบุญกับผ้าอะหาน์ในบ้านก่อนแล้วค่อยไปทําบุญกับผ้าละหาน์นอกบ้านถ้าชอบทําบุญกับผ้าละหารอย่าลืมผ้าละหา์ในบ้านทําบุญผ้าละหารในบ้านให้เรียบร้อยก่อน ถ้าพ่อแม่เขาไม่เดือดร้อนแล้วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือของเราแล้วเราอยากจะไปทําที่อื่นต่อไปก็ทําได้ น, นี่คือตัวอย่างของบุญกุศลแล้วข้อที่สามให้ชําระใจให้สะอาดการจะชําระใจของเราให้สะอาดได้ก็ต้องใช้การภาวนาการปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าสมาธิปัญญาหรือการบําเพ็ญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อันนี้เป็นเครื่องซักพอกจิตใจซักพอ้อกอะไรซักพอ้อกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราต้องใช้สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องซักพอกสมถะภาวนาก็คือการทำสมาธิทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือการทำใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาด ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราได้ไม่ช้าก็เรวจะต้องมีการพัดภาคจากกันเมื่อมีการพัดภาคจากกันก็จะต้องร้องหมร้องไห้แล้วก็จะทำให้เราต้องไปหามันมาใหม่พอตายจากชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาสิ่งที่เรารักเราชอบกันใหม่เรื่อย แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดหามันเลิกหามันพอเลิกหามันเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะช่วยพวกเราคือช่วยให้พวกเรานี้ออกจากกองทุกข์กองเพลิงของการเวีนว่าตายเกิดนั่นเองตอนนี้พวกเรากําลังติดอยู่ในบ้านมีลูกกองไ ม, ไม่สามารถงัดลูกกองออกมาได้นะ เราต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืองัดเอาลูกกงที่เราติดไว้เพื่อป้องกันตัวเราเนี้ให้ออกไปเพื่อที่เราจะได้ออกจากบ้านที่กำลังไฟไหมอยู่นี่คือพระธรรมคาสอนจะมาช่วยให้พวกเราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนแล้วไม่มีวันที่เราจะได้หลุดพ้นได้ดังนั้น ชาตินี้เราโชคดีมากที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรีบฉวยโอกาสอันดีนี้เพราะนานๆจะเกิดขึ้นสักทางหนึ่งถ้าเป็นการถูกถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็เหมือนเราถูกลอตเตอรี่แล้วสิ่งที่เราควรจะทําหลังจากที่เราถูกลอตเตอรี่คืออะไรก็รีบเอาเงินไปขึ้นเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินไปขึ้นรางวัลนั่นเองบู้แต่เก็บไว้เดี๋ยวหายไปแล้วจะเสียใจพอถูกลอ ต, ตอรีบปั๊บพรุ่งนี้ไปเลยไปสํานักงานสลากกินแบ่งเลย ไปขึ้นเงินเลยเก็บไว้เดี๋ยวดีไม่ดีถูกขโมยไปหรือหายไปไฟไหม้บ้านขึ้นมาไมมลอตเตอรี่ไปแล้วจะมาเสียใจในภายหลังดังใดตอนนี้เราได้พบพระธรรมที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วรีบปฏิบัติธรรมกันรีบศึกษากันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นั่นเองนี่คือธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปปกกัปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจโตัาเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพารุโขวินัสตุมาเตภวะตวันตาวายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิศะนิจังวุฒาปจายโน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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้าน Facebook รวม470ย t u b บ231วิทยุออนไลน์12ซูม8รับฟังที่หน้าคุติ118รวม839ค่ะอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญเริ่มถามได้เลย ค, <c oughs> คำถามจากคุณพ m อมค่ะหญิงบริการกับ ชายที่ไปใช้บริการสองคนนี้ถือว่าได้ทำผิดศีลข้อการเมไหมคะหรือเป็นการกระทำผิดด้านใดคะก็ผิดการเมนี่แหละเพราะการเมนี่หมายถึงให้ผู้ที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นคู่ครองกันท่านนั้นการถ้ายังไม่มีคู่ครองยังไม่มีสามีภรรยาก็อดกั้นไว้ก่อนเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ยังไม่มีสามีภรรยาเราก็อยู่ได้ เนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวไปค่าประเวณีกันอยู่ที่ว่าเราจะยินดีที่จะรักษาศีลข้อนี้หรือไม่ถ้ายินดีก็รักษาได้เพราะเกิดมาก็รักษามาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กลแล้วใช่ไม่ได้ไปทําผิดศีลข้อนี้ถ้าอยากจะมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกันก็รอให้แต่งงานกันก่อนให้เป็นคู่คร อ, องของกันและกันก่อนแล้วก็รักกันไปจนวันตาย ไม่เปลี่ยนคู่ไม่เปลี่ยนใจรักเดียวใจเดียวนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่จะได้จากการาร่วมร่วมเพศกันกับคนเดียวกันถ้าเปลี่ยนใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอเปลี่ยนสิบคนมันก็ไม่พอเปลี่ยนร้อยคนมันก็ไม่พอเหนมันเหมือนกันนะคนเหมือนกันอาการสามสิบสองเหมือนกันแต่ว่ามันเบื่อคนเก่ามันก็อยากจะได้คนใหม่ คนได้คนเกา่าคนใหม่มันก็เหมือนคนเก่าอีกแหละมันก็เปลี่ยนอยู่นั่นน่ะงั้นต้องใช้ธรรมะของตัวเจ้ามาหักข้ามจิตใจว่าเหมือนกันปิดไฟแล้วหลับตาแล้วมองไม่เห็นใคร <c oughs> คำถามจากคุณนรงศักดิ์คะ่ะเมื่อลูกเราได้ตายจากพ่อแม่พ่อแม่นั่งร้องไห้ที่ถึงลูกทุกวันจะทําให้ลูกเป็นห่วงและลูกจะมีบาปติดตัวมากใช่หรือเปล่าครับ เอาไม่หรอกมัไม่เป็นบาปหรอกว่ามันเป็นความผูกพันเป็นกิเลสเป็นเรื่องของอกุศลแต่ยังไม่ถึงเป็นเป็นการกระทำบาปเป็นเป็นความการขาดปัญญา<ม>ถ้ามาฟังเทศบาลนี้แล้วรับรองได้ต่อไปใครตายจะไม่น้องผมน้องไห้ก<ม>็รู้ว่าเราต้องมีการพัดพาคจากการเป็นธรรมดามคนที่ร้องผมร้องไห้นี้ไม่เคยรู้หรือไม่เคยคิด ได้ยินก็ไม่สนใจไม่ยอมเอามาคิดไม่เอามาเตือนใจพอเกิดขึ้นกับตัวของลูกตัวกับตัวเองก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจห้ามใจไม่ได้เพราะรักใครแล้วก็อยากจะให้เขาคืนมาอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ไม่มองความจริงว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เร า, ามองความจริงตั้งแต่ยังไม่เกิดเตรียมตัวไว้ก่อนความแก่นี้เป็นความจริงความ เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความจริงความตายเป็นความจริงความพัาดพาดจากกันเป็นความจริงถ้าเราหัดมองอยู่เรื่อยสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมมันก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจพอมันเกิดขึ้นมันก็ทำใจได้ไม่ยากเลยคำถามจากท่านเดิมค่ะการทำบุญใส่บาตรถวายผ้าไตรถวายลงศพและอุทิศให้ลูกลูกจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าครับ อ๋อลูกนี้เขาก็ต้องปไปรับผลบุญผลบาปของเขาแล้วเราทําได้ก็เพียงแต่ช่วยส่งบุญไปให้เขาเป็นเหมือนสะเบียงถ้าเขาขาดสะเบียงเขาก็มารับสะเบียงส่วนนี้ได้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลําบากของเขาได้ในระดับหนึ่งคําถามจากคุณประเสริฐค่ะเวลาผมนั่งสมาธิไปดูลมหายใจสักพัก จิตมันหายไปเลยครับมารู้สึกอีกทีเมื่อมีเสียงข้างนอกเข้ามากระทบอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตหลับครับอ๋อหลับถ้าไม่รู้ก็หลับถ้าเป็นสมาธิต้องรู้เหมือนตอนนี้เรานั่งคุยกันนี้เรานั่งคุยกันนี้เราก็รู้ว่าเรากำลังคุยกันอยู่พอเราหยุดคุยเราก็ยังรู้ว่าเราหยุดคุยไม่หลับถ้าไม่รู้ถ้านั่งตรงนี้แล้วคุยกันล้วก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแสดงว่าหลับ อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆก็ไม่รู้อะไรเล ย, เยแสดงว่าหลับถ้าเป็นสมาธิจะรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราดูลมหรือเปล่าเราพูดโทรหรือเปล่าจิตเราฟุ้งหรือเปล่าจิตเราสงบหรือเปล่า <c oughs> มันจะรู้ตลอดเวลาคําถามฝากถามค่ะบรรลุโสดาสบันแล้วคําว่าโสดาบันคืออะไรครับโสดาแปลว่ากระแสบันแปลว่าผู้ผู้เข้าสู่กระแสะ กระแสอะไรกระแสสู่พระนิพพานก็คือถ้าใครได้เข้าสู่กระแสแล้วกระแสนี้จะพัดไปเองไม่ต้องไม่มีทางที่จะไปทางอื่นเคยเป็นปุตุชนมาแล้วจะไม่กลับไปเป็นปุตุชนอีกต่อไปกระแสนี้จะพาให้เป็นพระอริยะสูงขึ้นไปจากพระโสดาบันก็เป็นพระสกิดาคาพระอนาคาพระอนาหันตามลำดับต่อไปแต่ต้องมีการปฏิบัติด้วย ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะติดอยู่ในระดับนั้นไปแต่ก็ไม่เกินเจชาติเพราะว่ามันจะเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็อยากจะปฏิบัติของมันต่อไปเองต่อไปอย่างมันหมายความว่าไปเป็นเหมือนกับการขึ้นทางด่วนพอรถขึ้นทางด่วนแล้วนี่มันมันไปสู่ทางด่วนที่พาไปขึ้นทางด่วนกรุงเทพชลบุรี พอจากกรุงเทพขึ้นทางด่วนปั้มมันก็จะวิ่งไปที่ชนบุรีทั้งนั้นมันจะไม่พาเรากลับมาที่กรุงเทพเรียนถามอาจารย์ว่าจะแก้ใจไม่ให้ผัวพันกับศัตรูที่เราโกรธแค้นได้อย่างไรคะพอพันแล้วกระแสจิตมันสื่อถึงกันอยากจะตัดออกจากชีวิตเราไปค่ะก็ต <st> ้องแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยต้องเทว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัย พอเราอยู่ด้วยการบางครั้งบางคราวมันก็มีปัญหาได้เหมือนลิ้นกับฟันก็ต้องมีขบกันได้แต่ขบกันแล้วจะมาตัดลิ้นหรมาตัดฟันมันก็ไม่ใช่เรื่องควรจะพยายามมีสติพยายามระมัดระวังอย่าให้มันมีการกระทบกระเทือนกันอีกนั้นมีเรื่องกันแล้วเราไปโกอดกันมันก็ยิ่งทําให้ทุกข์ขึ้นมาอีกทุกข์ที่เกิดจากการมีเรื่องแล้วไม่พอยังไปทุกข์กับการอาฆาตพยาบาท พอเราให้อภัยเขาได้ทุกที่เกิดจากการอาฆาตพยาบาทก็หายไปแต่ถ้าเรายังให้อภัยไม่ได้ก็ใช้สติหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธกันเวลาเราคิดถึงคนที่โกรธคนที่ทำให้เราโกรธเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักพักเราก็ลืมเรื่องที่ทาให้เราโกรธเธอถามฝากถามจากคุณอุ้มค่ะ ดิฉันสังเกตว่าการทานอาหารสามเวลาหรือทานอาหารมากๆทําให้ง่วงนอนปฏิบัติภาวนาไม่ได้ถ้าดิฉันงดทานอาหารให้เหลือบางมือ้อเช่นมื้อเที่ยงมื้อเดียวหรือมื้อเยน็นมื้อเดียวแบบนี้จะถูกต้องไหมคะถูกต้องนักปฏิบัตินี้ต้องกินน้อยๆกินมากเกินไปมันก็ทําให้ง่วงนอนทําให้เกียจคารฉนั้นนักปฏิบัติในมักจะถือศีลแปดศีลก็หกกันคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วถ้าต้องการให้มันลดน้อยกว่านั้นก็รับประทานมื้อเดียวเลยแล้วบางทีบางท่านเห็นว่าการฉันอาหารรับประทานอาหารน้อยๆทำให้จิตใจปฏิบัติได้อย่างก้าวหน้ากล้า จ, จะอยากเพิ่มจากการกินมื้อเดียวกลายเป็นกินทุกวันเว้นวันทำให้ความง่วงเหงาหงานอนความเกลียดข้านี้มันไม่มี แล้วทำให้การปฏิบัติคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วคำถามฝากถามจากคุณดวงค่ะเมื่อคืนฝันว่าคุณพ่อป่วยและเสียชีวิตพอสะดุ้งตื่นขึ้ น, นมารู้สึกทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจมากพอรู้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ดิฉันควรจะปฏิบัติตัวหรือคิดยังไรดีเจ้าคะก็ถ้าทุกข์ใจอยู่ก็ทาใจให้สงบนะใจเรายังไม่มีอุเบกขาปล่อยวางใจยังยึดติดถึงแม้ว่าจะ รู้ว่าจะต้องพัดพากจากกันเราก็ต้องหัดมานั่งทำสมาธิกันนั่งทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วจิตจะปล่อยวางได้ต่อไปเวลาคิดถึงความตายขังการพัดพากจากกันก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจ คำถามฝากถามมีคำถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์ทำไมถ้าไปนิพพานจะต้องละกิเลส ด, ด้านราคะถ้าเรามีครอบครัวรักเดียวใจเดียวทำไมจะไปถึงพระนิพพานไม่ได้เจ้าคะก็ว่ายังติดอยู่กับครอบครัวนั่นเองถ้าเป็นเรือก็เหมือนไม่ถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือมันก็ไหลไปไม่ได้ทำไมก็ลอยไปไม่ได้มันก็ติดอยู่กับที่สมอนีไม่ว่าเราจะติดกับอะไรไม่ใช่แต่เฉพาะคร อ, อบครัวนะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง อะไรต่างๆแม้แต่ฌานที่เราได้เราก็ต้องปล่อยหมดถ้าเราจะไปนิพพานถ้ายังติดอยู่กับฌานอยู่เราก็จะติดอยู่ที่พรหมโลกถ้าติดกับครอบครัวก็ติดอยู่ที่กามโลกกามาภพไม่ใช่กามโลกนะโลกของผู้ที่ยังเสพกามอยู่เรียกว่ากามโลกตอนนี้ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์ก็ยังจะหลุดออกจากสังสารวัฏไม่ได้ยังจะต้องกลับมาเกิด พอชอบเชอบเสพการพอตายไปก็กลับมาเกิดเพื่อที่จะได้มีร่างกายใหม่จะได้มาเสพการให ม, ม่มีครอบมีครอบครัวใหม่มันก็จะไปนิพพานไม่ได้ยังต้องตัดหมดทุกอย่างเื้องต้นก็ตัดร่างกายเรื่องความเจ็บความตายของร่างกายก่อนปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายพอทำได้แล้วขั้นต่อไปก็มาตัดความอยาก ในการในราบในรูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะในเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรื่องของการมีครอบครัวต้องมาหาความสุขเปลี่ยนมาหาความสุขจากสมาธิจากฌานจากรูปฌานาต่างๆพอลาบได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาละการหาความสุขจากรูปฌานต่อไปรูปฌานนี้เป็นเพียงเครื่องมือให้เราละความอยากในการได้ก่อน พอละได้แนละ้วเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือนี้เลือกใช้ฌานรูปรูปฌานและรูปฌานมาให้ความสุขกับเราพราะถ้าเรายังติดกับรูปฌานและรูปฌานเราก็ยังติดอยู่ในกามในรูปภพกับอรูปภพถ้าต้องการจะออกจากใจภพทั้งสามภพเมื่อละกามกามมาภพได้แนละ้วก็ลงมาละรูปภพกับอรูปภพด้วยการละ ความอยากเสพรูปประชานก็เอารูปประชานเหมือนกับที่เรารละความอยากจะเสพกามกุลห้าเราก็ออกจากกามมาพบได้แต่เราก็จะไปติดอยู่ที่รูปประพบกับรูปประพบต่อไปถ้าเราอยากจะออกไปพระนิพพานเราก็ต้องมาหยุดเสพรูปประชานอารูปประชานหยุดอยากในรูปประชานอรูปประชานอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติมันเป็นขั้นบันได ขั้นแรกก็ต้องละกามกามมาพบก่อนด้วยการใช้รูประพบอรูประพบเป็นฐานเป็นที่อยู่เพราะเราต้องมีที่อยู่ถ้าเราออกจากกามมาพบเราก็ต้องมีที่อยู่เหมือนถ้าเราย้ายบ้านจากที่นี่เราก็ต้องมีบ้านใหม่รอเราอยู่แต่บ้านมันก็ยังเป็นของชั่วคราวอยู่ถึงแม้จะเป็นดีกว่าบ้านเก่าก็ตามมันก็ยังเป็นบ้านพบต่างๆก็เป็นเหมือนบ้าน ถ้าเราไม่ต้องการที่จะอยู่ในภพต่างๆพอเราติดไปถึงภพไหนเราก็ต้องละภพนั้นต่อไปออกจากการมาภพก็ไปติดอยู่ที่รูปภพก็ตัดรูปภพตัดอารูปภพแล้วก็ไปอยู่นิพพานต่อไปยังไม่มีคำถามเข้ามาคับพระอาจารย์ยังไม่มีคำถามนะโอเคยันต้องพยายามศึกษาอยู่เรื่อย ความรู้ที่สอนในแต่ละครั้งนี้มันเป็นเซี่ยวนึงถ้าเป็นเหมือนจิ๊กซอพัทโซ เ, เคยเล่นจิ๊กซอว์ไหมตัวต่ อ, อมันเป็นชิ้นๆฟังเทศฟังธรรมครั้งหนึ่งก็เหมือนได้มาชิ้นหนึ่งฟังอีกครั้งก็ได้มาอีกชิ้นหนึ่งต้องฟังหลายๆครั้งด้วยกันเดี๋ยวก็จะได้ครบทุกชิ้นพอได้ครบทุกชิ้นแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนอของการ ของแนวทางที่เรากําลังเดิมดําเนินอยู่เหมือนกับเห็นแผนที่ที่เรากําลังเดินทางกันอยู่ว่าตอนนี้เราจะเดินทางไปถึงไหนอย่างไรดังนั้นต้องฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆฟังแล้วก็ไปปฏิบัติควบคู่กันไปเข้าใจตรงไหนก็ทําตามที่เราเข้าใจไปก่อนส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็รอรอไปก่อนบางทีเราก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่ต้องไปกังวล เป็นขั้นเริ่มต้นนี้เราก็หัดทําทานทําบุญก่อน ห, หัดละบาปก่อนรักษาศีลให้ได้และอาบายามุกให้ได้ก่อนพอทําได้แล้วเราก็ไปหัดทําบุญกันมีเงินมีทางมีข้าวมีของก็เอาไปแบ่งปันกันอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเาไปเที่ยวไม่มีประโยชน์กับจิตใจเป็นเหมือนยาเสพติด เอาไปทาบุญทาทานแล้วจะทาเป็นเหมือนอ า, อาหารของจิตใจทำให้จิตใจอิ่มไม่หิวไม่โหยกับการไปเที่ยวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอทาบุญทากุศลได้แล้วก็ไปหัดชาระจิตใจด้วยการภาวนาไปฝึกสติก่อนเพื่อให้จิตมีความกาลังที่จะหยุดความคิดนะถ้าหยุดความคิดได้จิตก็จะเข้าสมาธิได้ตัวที่ขวาง ขวางจิตให้เข้าสมาธิก็คือความคิดนี้เองความคิดเป็นเหมือนด่านเป็นเหมือนประตูกั้นห้องสมาธิเราฉะนั้นต้องใช้สติเปิดประตูนี้มีสติมันก็เหมือนมีกุญแจเปิดประตูห้องเข้าไปในห้องสมาธิได้หยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ไปสอนใจให้เห็นให้เกิดปัญญาขึ้นมา จะเห็นว่าความอยากของเรานี้เกิดจากความหลงหลงที่ไปคิดว่าของในโลกนี้เป็นสุขความจริงของในโลกนี้เป็นทุกข์ความหลงจะบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาใช่ไมเห็นอะไรก็อยากได้เห็นแล้วโอ้ได้มาแล้วจะมีความสุขได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้มาเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็บางทีก็จากออกไปแล้ว เรื่เสียแล้วเรือเปลี่ยนไปแล้วความสุขที่ได้มันก็ยกลายเป็นความทุกข์ต่อไปคําถามจากคุณนิชาค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในการปฏิบัติหากสมาธิมากกว่าสติจะมีผลอย่างไรเจ้าคะและจะปรับอย่างไรให้สมาธิกับสติมีความสมดุลกันเจ้าคะโ อ, อสมาธิมันมากกว่าสติไม่ได้เรพราะสติเป็นตัวสร้างสมาธินีออ่ย ไปอ่านที่ไหนมาไม่รู้มันไม่ใช่มันต้องสมาธิกับปัญญาเนี่ยถึงจะต้องมีความสมดุลกันแต่สตินี้มันต้องมีมากถึงจะทำให้มีสมาธิมากสติเป็นตัวสร้างสมาธิส่วนปัญญานี้เป็นตัวที่จะให้ความรู้การปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญาก็ต้องสลับกันปฏิบัติเพราะสมาธิเป็นเหมือนที่พักหลับนอน ส่วนวิปัสนาวิปัญญานี้เป็นที่ทํางานใช่ไหมพวกเราเวลาไปทํางานเราไม่ได้ทำตลอดยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมเราทําถึงเวลาเลิกเราก็กลับบ้านกลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอนกินข้าวอาบน้บําอาบถานแล้วพอเช้าตื่นขึ้นมามีกําลังเราก็กลับไปทํางานใหม่สมาธิก็เป็นเหมือนบ้านของจิตใจที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่กินอาหารเวลาเรา พิจารณาปัญญาจนเหนื่อยแล้วก็หยุดพิจารณาจนฟุ้งแล้วเริ่มฟุ้งขึ้นมาแล้วก็หยุดหยุดแล้วเราก็กลับเข้าไปในสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบมีความสุขพอจากสมาธิมาเราก็พิจารณาต่อตอนพิจารณานี้มันเป็นเหมือนการทําการบ้านเป็นการสอนใจเตือนใจไม่ให้ลืมเช่นว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเนียต้องสอนมันจนมันไม่ลืม พอมไม่ลืมแล้วมันก็จะปล่อยได้ถ้ามันลืมตอนไหนมันก็จะยึดทันทีเรนต้องสอนมันอยู่เรื่อยๆให้มันปล่อยอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปเจอข้อสอบมันจะได้ปล่อยได้ทันถ้าไม่ทำการบ้านไว้ก่อนเดิมพอไปเจอข้อสอบยึดติดทันทีพอไปเจอมะเร็งปั๊บทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยเดี๋ยวต้องมาแล้วนะมะเร็ง ไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้น่ะในร่างกายมันมีจุดที่มะเร็งมันชอบเกาะก็เตรียมตัวรับมันนั้นเองพอมันมาก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือปัญญาสลับกันทํากันไปสลับกับสมาธิพิจารณาถ้าไม่เป็นปัญญาและเริ่มกลัวและเริ่มทุกข์แล้วแสดงว่าไม่เป็นปัญญาละแสดงว่าหมดแรงและอุบเบกขาหมดแรงแล้ก็กลับไปพักสมาธิให้มีอุบเบกขากันเพราะการพิจารณาความจริงนี้ถ้าไม่มี สมาธิไม่มีอุเบกขามันจะทุกข์มันจะไม่กล้าปฏิบัติไม่ไม่กล้าคิดเน่ยพอคิดของความตายก็ทุกข์แล้วนี่ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้พิจารณาไม่ได้ต้องไปนั่งสมาธิทําใจให้มันเป็นอุเบกขาก่อนพอเป็นอุเบกขาออกมานี้มันพิจารณามันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยเฉย คำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะการศึกษาลักษณะของฌานและฌานลำดับต่างๆจากในหนังสือจำเป็นหรือไม่เจ้าคะหรือพิจารณาดูใจดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจจากการภาวนาก็เพียงพอแล้วเจ้าคะเ็ลือไว้ก็ดีแต่แม่แต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวฌานบางคนไปอ่านแล้วก็คิดว่าได้ฌานแล้วไม่ใช่ เวลปฏิบัติก็ไม่ต้องไปถามตัวเองตอนนี้อยู่ชา้นขั้นไหนแล้ววิตกวิจารหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เวลาปฏิบัติดูลมอย่างเดียวพุทโธไปอย่างเดียวแล้วมันจะพาผ่านขั้นชา้นต่างๆไปเองวมีแบบขาพระจานทร์เนี่ยสมาธินี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันสมาธิชนิดแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิ สมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอัปอ ป, ปนาสมาธิชนิดที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี้จะได้คณิกะสมาธิคือจิตรวมเข้าสู่ความสงบเพียงขณะเดียวเดี๋ยวเดียวเหมือนฟ้าแลบเหมือนงูแลบดินเวลาฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆถ้าสติดีจดจอ่อพอมันเข้าไปในสมาธิปั๊บมันจะเข้าอยู่ได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะถอนออกมา นี่เรียกว่าคันิกะสมาธิความสงบเดียวเดียวขั้นที่สองถ้าเราปฏิบัติไปต่อไปมีสติมากขึ้นกำลังมากขึ้นพอ เ, เข้าสมาธิทีนี้มันจะไม่อยู่แป๊บเดียวแล้วมันจะอยู่มันจะแช่อยู่ได้นานขึ้นเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีไปอย่างนี้เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งนะ ต้องมีคุณภาพแบบนี้อยู่นะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดตรุงแต่งจิตว่างเหมือนอยู่ในอาวากาศมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจมีความสุขใจที่ไม่เคยสุขมาก่อนม า, มาก่อนแล้วก็มีอุเบกขาใจวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเรียกว่าอัปปนาสมาธิ ช น, นิดที่สามนี้เรียกว่าอุ ป, อปจาระสมาธิชนิดนี้ตามมาจากอัปปนาสมาธิบางท่านอันนี้เป็นสมาธิเฉพาะบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนบางคนเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วไม่อยู่เฉยเฉยสุขสนอยากจะไปรู้อยากจะไปรู้ไปเห็นอะไรในโลกคลิปก็เลยไปพบกับเทวดาไปเห็นเทวดาไป ไปอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ไปมีอภินญาไปทะลกชาติได้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิพระพุทธเจ้าใช้อุปจารสมาธิตอนสอนเทวดาถ้าอยู่ในอั ป, ปนาสมาธินี้ไม่ติดต่อกับใครถ้าอยากจะติดต่อกับผู้กายทิพย์นี้ต้องขยับจิตออกจากอ ป, ปนาแล้วก็เข้าไปสู่อุปจารสมาธิ หรือถ้าจะอ่านจิตใจของใครว่าตอนนี้ใครกำลังสาบแช่งเราอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> ก, ก็ออกมาจากอัปปนาแล้วเข้าไปในอุปจาระแล้วก็ เ, เร่เงยานไปที่จิตของคนที่เราสงสัยตอนนี้มันคิดก็อะไรกับเรารู้เปล่า <c oughs> นี่รรู้ว่าละจิตของผู้นี่ันเรียกนี่คือสมาธิสามชนิดด้วยกันแต่เราไปเลือกไม่ได้นะมันพาเราไปเองขอให้มีสติแล้วมันจะพาเราไปที่ได้แน่ๆก็คือสองขั้นแรก นิกะกับอัปปนาสมาธิแต่ขั้นที่สานี้แล้วแต่บุญวาสนาเก่าถ้าไม่เคยฝึกมาทางนี้อาจจะไม่มีในในในวงการปฏิบัติท่านบอกว่าผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้มีเป็นห้เท่านั้นร้อยลห้าอีกเกนี้จะไม่มีแม้แต่ภาษาลิบุตรนี้ก็ไม่มีเท่าที่ได้อย่ินท่านมีทางไปทางปัญญาแทนแต่พระโมคคัลลานี้มีท่านได้พระโมคคัลาพระพุทธเจ้า หลวงปู่มัน่นท่านได้อุปจารสมาธิด้วยท่านถึงสอนเทวดาได้คำถามคุณ อ, อดีตค่ะถ้าเราให้คนอื่นยืมเงินแต่คิดดอกเบีย้ยด้วยคิดดอกเบีย้ยสัดส่วนที่ต่ํามากๆแบบนี้เราจะบาปไมหมคะกับการรับเงินดอกเบีย้ยแบบนี้อ๋อไม่บาปเราก็เป็นเหมือนกับการเช่ารถเงินก็เหมือนเช่าเงินเราไงใครมาเช่ารถเราเราก็คิดค่าเช่าไปใช่ไหมเขามายืมเงินเราล้วก็คิดค่าเช่าเงินท่านเอง อยู่ที่ว่าเราจะเมตตาหรือไม่เมตตาถ้าเมตตาก็ไม่คิดแพงถ้าน่าเลือด ก, ก็คิดแพงก็ไม่เมตตาเท่านั้นเองหมดค่ะพระชาหมดแล้วเนหะรอโอเคหมดแล้วก็ใกล้ถึงเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติ